ต่อทีนี้ไปพอท่านนังหลายได้โปรดรับฟังเรื่องของบุปกรรมของโชติกาเศรษฐีสํา <c oughs> สำหรับวันนี้ก็อย่าขอย้อนต้นสักเล็กน้อยเพเรื่องจะได้เข้ากันนิรกราว่าในการที่เวลาที่เขาสร้างพระคันธกุฎีนั้นหลานชายชื่อว่าอปราชิตะ เป็นผู้มีชื่อเหมือนกันกับตนนั่นเองเข้าไปหาปราชิตะกรุมพีผู้เป็นลงแล้วกล่าวว่าแม้ฉันก็จะจัดการก่อสร้างท่านจะให้ส่วนบุญกับฉันเถิดลงสำหรับรอ布拉ชิตะผู้เป็นลงกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปแก่บุคคลเหล่าอื่นหมายความว่าการก่อสร้างนี้เราต้องการสร้างคนเดียวไม่ต้องการให้ชาบ้านชาวเมืองอะมายุ่งด้วยฉันทําของฉันคนเดียวฉันจะได้คนเดียวสำหรับหลานชายนั้นก็อ้อนวอนเขาเขาก็ไม่ยอมจะให้ส่วนบุญอบราฮิตาผู้เป็นหลานยินดีคิดว่าการที่เราจะได้สร้างศาลา คุญชอนนัลาคือชลาที่มีรูปร่างเหมือนช้างหลังกุบกไม่ด้านหน้าเพระคันตกดุดดีที่ลุงสร้างก็จะเป็นการดีเพราะว่าท่านลุงท่นหวงบุญเราก็หาบุญเอาใหม่ยังได้สร้างสกุญชอนนัชลาเป็นที่สำเร็จแล้ววิธีแก้เจ็บอาการเขาเกิดมาเป็นเมรกาศเศรษฐีในพุทธบาทนี นี่ฟังเรื่องนี้แล้วก็เขาได้โปรดอย่าฟังแต่นิทานฟังทั้งว่าไอ้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นความจริงแต่ผมก็มีความเข้าใจว่าบรรดาท่า น, น, นหลายที่รับฟังก็ดีหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กําลังฟังอยู่ก็าตามเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี้พวกเราคงไม่สงสัย ดูว่าเราฝึกมโนโมยิธิกันแล้วเป็นความรู้ที่จะไปสูตรคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ <c oughs> ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรทำในความจริงใจรักษากอารมณ์ใจให้คงที่เรื่องมโนโมยิธิเป็นของไม่ยาก <c oughs> ตนที่วันยังว่ายากคือทำไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังกำลังรักษากำลังใจไม่ครบถ้วนถต่หากว่าท่านทั้งหลายพยายามรักษากำลังใจไว้ตามลาดับให้ครบถ้วนเมื่อจิตใจเข้าจังหวะพอเหมาะคนดีก็กกำลังสมาธิที่ใช้แบบนั้นเรื่องมโนยิธิก็จะเป็นของง่ายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการฝึกมโนยิธิ ต้องรักษากำลังใจให้เข้มแข็งอย่างที่รัชนีทำได้ไง่ายก็เพราะว่ารัชนีมีนิสัยชอบในด้านของกสิณคือทรงอารมณ์สมาธิเป็นปกติหรือว่าการจับพระพุทธรูปเป็นปกติก็ถือว่าเป็นกสิณด้วยเป็นพุทธานุสติด้วย นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่นึกถึงภาพนั้นได้เสมออย่างนี้ถ้าหากว่าบังเอิญกำลังใจจะไม่ถึงมโนยิธิก็สามารถจะได้ทิฏฐิพุยานเมื่อได้ทิฏฐิพุยานแล้วก ร, รมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระิชิตมาน ที่ว่าโลกหน้ามีจริงโลกหลังมีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริงสภาพเดิมไปยังไงข้างนหน้าจะเป็นยังไงเราสามารถจะทราบได้ด้วยอำนาจที่เป็นจักรยานนี่มันเป็นของไม่ยากผมขอพูดต่อไปถึงเรื่องสูตรเรื่องนี้เป็นกล่าวว่ากกบาล น, นาต่างสําหรับเมตต า, าศเศรษฐีนะอาชิตตะอารอาชิตตะพวกเป็นหลาน ได้มีโอกาสมาเกิดในศาสนานี้มีนามว่าโชเมนกะเศรษฐีในพุทธบายการนี้เมื่อกี้ดูเหมือนว่าผมจะบอกตั้งแต่เป็นโชติกาเศรษฐีแต่ก็ใช่สําหรับท่านผู้นี้เป็นเมนกะเศรษฐีเมนกะเศรษฐีมาเกิดในชาตินี้ก็รวยมหาศาลฟังของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าก็บานหน้าต่างสามบาน ที่ห้ายของเขาสำเร็จแล้วปริแก้วเจตการได้มีแล้วในประคันตุกุีเขาทำประคันตุกุีนั้นให้พระพุทธเจ้าอราชิตกคาหบดีได้สร้างโปคณีสามสะโปคณีคือบ่อน้ำใสๆเรื่องที่บกแล้วไปด้วยปูนขาว ในภายในนภายที่ใต้ที่ตรงบานหน้าต่างเหล่านั้นเขาก็ทำให้เต็มไปด้วยน้ำหอมเกิดไปจากชาติทั้งสี่ชาติทั้งสี่นี่มีอะไรบ้างลนะ่ะมีกุงคุ้มมังยญาฝรั่งแล้วก็ดอกไม้ที่เกิดในดอกไม้ ที่เกิดในเยวประเทศแล้วก็กฤสนาแล้วกรรมยานมีความกรรมยานนะแล้วก็เบื้องหน้าตัวนี้ไปมีอะไรนะท่านบอกว่าเต็มไม่ได้ท่าแตงสีแล้วให้ปลูกดอกไม้มีสีห้าสีสีอะไรบ้างก็ช่าง ให้ย่อยบรรดาให้ย่อยบรรดาแก้วเจ็บประการคือทําแก้วเจ็บประการให้ละเอียดแก้วที่ควรแก่ความเป็นของที่พึงย่อยได้แล้วก็ถือเอาแก้วนอกจากนั้นทั้งหมดนั่นแหละให้โปรยปลายที่ประการก็กดีให้เป็นแถวเรียงเข้าเป็นระเบียบแล้วก็สูงแค่เขา่า ทำบริเวณนั้นให้เต็มเป็นแล้วได้แก้วมณีและแก้วเจตการแกอรวยจริงๆสําหรับกษัตริย์ดีชิวะชิตะอบราชิตะทำเรื่คันตะกุฎดีให้สําเร็จไปด้วยการอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าวัดเทระผู้เป็นที่ชายเรียนว่าท่านเขารักเรื่อคันตะกุนดีสําเร็จแล้ว ก็ผมหวังในการใช้สอยพระคันธกุดีนั้นตามทราบาลีได้กล่าวว่าได้ยินว่าบุญที่บุญเป็นอันมากนี้ย่อมมีเพราะการใช้สอยสำหรับพระเทรรนังเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบถวายบังคมทนว่าพระเจ้งข้าพระพุทธเจ้าทราบว่า กุดุมพีผู้นี้ได้สร้างพระคันตโกดีเพื่อพระองค์บัดนี้เธอหวังในการใช้สอยคือองค์สมเด็จตระสมม า, ส, า ส, สมเด็ดเอจเจ้าทรงใช้ ส, สมเด็จพระจอมตรายจึงได้ทรงเสด็จลุกจากอาสนะพรเด็จไปสู่ที่จะพาพระคันตกุดีทอดพระเนตรเห็นกองรัต น, นคือแก้วเจดียการ ที่เขากองล้อมรอบพระคันทุกุนดีในประทับยืนอยู่แล้วอยู่ที่ซุ้มแห่งประตูเมืเมื่อโกดุมพีนั้นกราบพูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าค่ะการรักษาจากมีแก่ข้าพระองค์เองขอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจโปรดเสเด็จเข้าไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบระมาศ า, าสดาเจียงสด็จเข้าไปประทับณที่นั้น ท่นกล่าวต่อไปว่าแม้กระดุมพีก็ตั้งการรักษาไวโดยรอบเพือต้องตั้งยามรักษาและสมบัติมันมากสั่งบรรดาชนทั้งหลายไว้ว่าพอพวกเจ้าจงห้ามชนทั้งหลายที่จะถือเอารัตนะคือแก้วทั้งหลายแล้วนี้ไปด้วยการใส่พกหรือด้วยการใส่กระเช้าหรือด้วยการใส่กระสอบแต่ว่าอย่าห้ามชนผู้ถือเอาไปได้หมด หมายความเอาห่อไปนี่ไม่ให้เอาเอาใส่กระเช้าไปก็ไม่ให้เอาใส่กระสอบไปก็ไม่ให้แต่ว่าเขาแย่ถือเพื่อที่มือกำหนึ่งหรือสองกรรมไม่สองมือเอาไปให้ได้ดังกล่าวว่าแม้ในพระนครก็ให้บอกว่ารัตนะจริญการอนบโปรปลายไปแล้วแด้วยจริงๆนะรู้สึกว่าแกรวยมาก ให้ประกาศในเมืองว่าแก้วเจตระการนี้เราโปรดปายไปแล้วในโบริเวณรอบบริเวณเพระคันธคุณดีดมรนดามนุษย์ผู้เข็นใจทั้งหลายผู้ฟังธรรมในสำนักพระองค์สมเด็จโตสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงถือเอาแก้วเจตระการนี้เต็มมือของท่านทั้งสองมือไปบรรดาชนทั้งหลายแม้ถึงสุขแล้ว ก็จงถือเอาด้วยมือเดียวนี่หมายความว่าถ้าคนจนเวลาที่มาฟังเทศจบก็นําแก้วจดราการนี้เลือกเอาตามที่ชอบไปสองมือแต่ว่าคนที่มีความร่ำรวยเอาไปแต่เพียงมือเดียวแม่เข้ารวยจริงๆท่านกล่าวว่าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชนท่านหลายผู้มีศรัทธา เระสงจะฟังธรรมก่อนจึงจะไปส่วนที่ไม่มีศรัทธาไปด้วยความโลภในทรัพย์ฟังธรรมแล้วก็จกพ้นจากความเป็นทุกข์ได้เจตนาของเขาดีมากเขามีเจตนาว่าคนบางคนนะที่มาด้วยความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราถนาจะฟังธรรม เมื่อฟังทำแล้วก็ถือไปก็ดีแต่บางคนไม่มีเจตนาไม่ได้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่ถ้าว่าต้องการอยากจะได้ทรัพย์ในการได้ทรัพย์นั้นเขามีการบังคับไปว่าต้องฟังเทศเซก่อนแล้วจึงจะนำไปได้แต่ถ้าว่าการฟังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจ ฟังบ่อยๆธรรมะขององค์สมเด็จเคยจอมไตรก็ค่อยๆซึมค่อยทราบเข้ามาอยู่ในจิตก็สามารถจะทําจิตของเขาให้ผ่องใสไว้ได้ในวันหน้าเจตนาของเขาสวยมากเล่ากันต่อไปเพราะเหตุเช่นั้นเขาจึงได้บอกว่าอย่างนั้นเพื่อต้องการจะสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายเม <c oughs> เจตนาจะสวยจริงๆ บรรดาหมหาชนก็ถือเอาแก้วลัตนะทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เขาบอกไว้แล้วนั่นแหละเมื่อบรรดาแก้วทั้งหลายที่เขาโปรยไว้คราวเดียวหมดไปแล้วเขาจึงให้โปรยลงไปเรื่อยๆเป็นทองแถวเพียงเข่าถึง3สามครั้งอันหนึ่งเขาวางแก้วมันนีมีค่ามีได้ประมาณเท่าผลแตงโม แทบบาทมูลคือใกล้เท้าพระองค์สมเด็จโตสมมาสมพระเจ้าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชื่อว่าความอิ่มจากไม่มีกระชนนันไหลพูดแลดูรัสมีแห่งเก้ามณีหมายความคนมองแล้วจะชื่น อ, อกชื่นใจในเก้ามณีนั้นเพราะไม่ได้รัสมีอันมีสีดุจดทองคำ ที่ปรากฏแต่สรีระเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเี่ร่างเขาสวยเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ทําอย่างนั้นแม้บรรดาประชาชนทั้งหลายเราอื่นเมื่อมองเดียวดูความสว่างของแก้วมณีก็ดีมองดูฉับพลันรังสีรัศมีของรายการเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีก็มีแต่ความชื่นสันชื่นบานหันษา ไม่อิ่มไม่เบื่อเวลาที่มาฟังเทศก็มีความเพลิดเพลินเจริญใจโดยกระแสพระสธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จตรสสัมมาสัพพุทธเจ้าด้วยและก็มีความชื่นใจในความสว่างของแก้วมณีนี่ก้ชื่นใจในฉับพลันศีรสมีหกระการพระองค์สมเด็จประสัมมาสัพพุทธเจ้าวบวกกัน เป็นเหตุให้บรรดาประชาชนทุกท่านที่มาในที่นั้นมีแต่ความอิ่มเอิบทั้งธรรมและสมีท่านกล่าวต่อมาว่าในวันหนึ่งรามผู้เป็นมิชาทิฏฐิคนหนึ่งคิดว่าได้ยินว่าแก้วมณีที่มีค่ามากอันกุดุมพีนั้นวางไว้แทบใกล้พระบาทพระองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจา้าเราจะขโมยแก้วมณีนั้น จิงเข้าไปโสวิหารเข้าไปโดยระหว่างที่มหาชนผู้มาแล้วเพื่อจะถวายบางโคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับกุฎมีได้กําหนดไว้ว่ารามนี้มีความประสงค์จะถือเอาแก้วมณีเพราะมีความรู้สึกมีความเข้าใจว่ายังไงยังไงตาคนนี้จะต้องขโมยแก้วมณีแน่ ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยสังเกตอาการที่เข้าไปของพรามนั้นที่นี่คิดว่าโอหนอพรามไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยแม่พรามนั้นวางมือไว้ที่ใกล้เท้าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวถวายบังคมแล้วถือเอาแก้ววันนี้ซ่อนไว้ในเกลียวผ้าแล้วก็หลบไป ท่านกระดุมพีไม่อาจจะทําจิตให้เรียงสยในพรามนั่นได้ในการที่จบพระธรรมกถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศท่านกรดุมพีได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกเป็นเชิกราบทูลว่าพันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระภูมีพระพเาจ้าผู้ตรเจริญพระพุทธเจ้าข้า รัตนเจ็ตประการอังค่าพระองค์โปรดปลายเวรเล่าพระพักตร์ุกุฏีสิ้นสามครั้งทําให้เป็นแถวแนวยาวเขา่าสูงเพียงเขา่าเมื่อชนนั้นหลายถือเอารัตนะทั้งหลายเหล่านั้นก็ชีว้ว่าความาคาตไม่ได้มีแล้วแก่ข้าพระองค์ยิ่งเขาถือไปเท่าไรความเลื่อมใสก็มีขึ้นเพราะว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะสงเสราะเขา แต่ได้ว่าวันนี้ข้าพระองค์คิดว่าโอหนอพรามนี้ไม่ควรถือเอาแก้วมณีเมื่อพรามนั่นนงขโมยแก้วมณีไปแล้วจิงไม่อาจยางจิตให้เริ่มใสได้พระพุทธเจ้าขา่าสมเด็จพระประมศาะสันดาทรงสดับคำของกุฎุมีนั้นแล้วยังไดแต่เปว่าอุปาสกะดูก่อนอุปาสกท่านไม่อาจพเพื่อธรทำของที่มีอยู่ของตน ให้เป็นของอัญชนเหล่าอื่นเพื่อนไปไม่ได้ไม่ใช่หรือหมายความมาตามธรรมดาของที่เรามีอยู่เนะี่ยเรายกขึ้นเขาคนอื่นก็หยิบยกขึ้นได้เราไม่สามารถจะบังคับให้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายกขึ้นแล้วคนอื่นยกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตราถามอย่างนั้นเขาก็ตอบแล้วว่าเขาก็ตอบว่าใช่เจ้าข่า สำหรับกุดอมพีนั้นดำรงอยู่ในที่องค์สมเด็จรตสมมาสมพุทธเจ้าประทานแล้วเคยหมายความมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงมันมีแล้วมันก็หมดไปของที่เราหามาได้ชาว บ, บ้านก็ขโมยได้เหมือนกันและยิงถวายบังคมองค์งคสมเด็จพระทรงทันแล้วได้กระทำการปรารถนาว่า พันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระุูธเดียวคันพระาาพระชาชริจนมาหลายร้อยชื่อว่าสามารถเพื่อแกคมเหงข้าพระองค์ถือเอามาแต่เส้นได้แห่งชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์เองก็จงอย่ามีนับเติมต้นแบบวัรนี้เป็นต้นไป ตอนนี้ฟังจะเผื่อสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าของทุกอย่างเนี่ยคนต้องยกไปได้แต่ว่าท่านโกดมพีก็อธิษฐานใหม่ด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีที่ข้พาพเจ้าทำแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นโจรคนดีพระราชากนดีผู้มีอำนาจ ไม่สามารถจะนําไปได้ในเมื่อข่าพระพุทธเจ้าไม่ให้อันนี้เป็นคําปฏิฐานตอนหนึ่งที่บรรดาท่านานหลายควรจะฟังและคุณจะจําเขากล่าวต่อไปว่าแม้แต่ไฟก็ไม่สามารถจะจะไหม้ของขพระองค์ได้น้ําและลมก็ไม่สามารถจะพัดพาไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงธรรมโนุโมธนาแก่ดุมพีนั้น <c oughs> เมื่อขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วจงสำเร็จตามนั้นเถิดสำหรับกุฎุมพีนั้นเมื่อทำการเฉล้อมพระคันเดกุดีแล้วได้ถาวายทานในองค์สมเด็จพระบัณีกแก้วมีพระบิณฑสสงฆ์ร่วมด้วยประมาณหกสิบแปดแสนไม่ใช่หกไม่เช่8แปดแสนนะหกสิบแปดแสน ภายในวิหารนั้นตลอดเก้าเดือนโอ้โหใช้เงินมากมายจริงนะทั้งกล่าวว่าในการเป็นที่สุดได้ถาวายผ้าตรายจีวเรเบรรดานพิสุสงทุกรูปและถาวายผ้าสารดกสำหรับทาจีวรของพิะสุใหม่ในสำนักสงฆ์ได้มีค่าถึงหนึ่งถึงหนึ่งพันแม่เรวยจริงๆ ทำบุญตลอดเก้าเดือนเก้าเดือนนีพระหกสิบแปดแสนองลูกศิษย์อีกสีคนท่านชั้นคนแลกคำก็หกเหกสิบแปดแสนคำชั้นคนแรจานก็หกสิบแปดแสนจานฟังกันต่อไปว่าผลของความดีของท่านกุดุมพีนั้นทำจะมีผลเป็นเบรการใดสำหรับกุดุมพีนั้นทาบุญตลอดจนอายุอย่างนั้นแล้ว เขาทำบุญอย่างนั้นแหละตลอดอายุไขแล้วก็เคลื่อนจากรวาภาพนั้นไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์ตลอดการประมาณเท่านั้นเท่านั้นผมก็ไม่รู้เท่าไหรเหมือนกันแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาคือว่าเกิดเป็นคนบ้างเกิดเทวดาบ้างกาจเาทวดาก็มาเกิดเป็นคนจากคนก็เกิดเป็นเทวดา แกไม่ยอมลงนรกนี่เรียว่าเท่านั้นท่านกล่าวว่าในพุทธบายการนี้คือสมัยสมัยพระองค์สมเด็จพระจินารสีสรงตรัสเธอได้ถือปฏิสนธิในตะกูลของเศรษฐีต่กูลหนึ่งในกรุงราชคฤก์อยู่ในท้องของมารดาตลอดเก้าเดือนครึ่งไม่ยักษ์กสิบเดือน คนอื่นท้าศสาสาตรเตยณนะเขาสิบเดือนแต่เศรษฐีคนนี้อยู่ย่องเขามาอยู่ยังเก้าเดือนครึ่งขาดอีกครึ่งเดือนก็ในวันที่กดุมพีนั้นเกิดสรรพาวุธทั้งหลายในพระนครทั้งสิ้นรุ่งโรจน์แล้วแม้เครื่องอัปรัดับเพื่ อ, อพรทั้งหลายที่สมกายของบรรดาปวงชนทั้งหลาย ก็เป็นราวกับว่ารุงโรดคือมีแสงสว่างโชติช่วงเปล่งและสมีออกทุกคนพระนครในรุงโรดเป็นอันเดียวกันหมายความพระนครเมื่อนั้นสว่างสวัยไปหมดโชตนาการท่านเศรษฐีก็ได้ไปสู่ที่บ่มรงเขาวราชาแต่เช้าตรูนี่เศรษฐีพ่อนะเศรษฐีลูกเขาเ้าท้องแม่เศรษฐีพ่อไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าตรู ครั้งนั้นพระรายชาได้ตัดถามเศรษฐีว่าวันนี้สันผ่าวุฒทั้งหลายรุ่งเรืองเป็นไฟรุ่งโรจน์เป็นแสงสวยแล้วพระไดคอนทั้งหมดก็รุ่งโรจน์แปลนเดียวกันท่านทราบเหตุเรื่องนี้ไหมท่ามหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อของเด็กก็กราบทูลว่าข้าแต่สมทุทรเทพทราบพระองค์ทราบพระพุทธเย้าขา้า พระราชาได้ตถามว่าเป็นพ่ออะไรจึงได้เป็นอย่างนั้นแ้วมหาเศรษฐีกล่าวว่าทายของพระองค์เกิดในเรือนของข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค้าความรุ่งโรจน์นั้นได้มีแล้วได้เดชของบุญของเขานั่นแหละซึ่งว่าพระราชาที่ถามว่าเขาจะเป็นโจรกระมังแ้วมหาเศรษฐีกล่าวกระวายบังคมว่าข้าแต่สมุติเทพ ข้อนั้นไม่มีสัตว์ผู้มีบุญได้ทาพิธีหันแล้วพระพุทธเดียว้าปราชาทรงตั้งทรัพย์ข่าเลี้ยงดูสำหรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้ไว้วันหนึ่งพันวันละหนะึ่งพัน่ะนี่อันนี้สงที่ทำบุญดีนี่ว่าเป็นอย่างนี้เริ่มมีทรัพย์ตั้งแต่อยู่ในท้องเริ่มเข้าท้องแม่ก็มีไรายได้วันละหนึ่งพัน โดยมีพระราชดำรัสว่าถ้ากันนั้นเธอเลี้ยงเขาว่าให้ดียิ่งจะเป็นการสมควรจงเาข ง, เงินทองส่วนนี้จงเป็นค่านำนมสําหรับเขาท่านในวันวันที่ตั้งชื่อบันดาบประชาชนนั้นไหลยิ่งได้ตั้งชื่อของเขาว่าโชติกะโชติกะนี่แปลว่ารุ่งโรยโชตนาการ เพราะเหตุว่าธรรมครนคอนสิ้นเฮโรงโรดมีความแสงสว่างต่อมาในเวลาที่เขาเติบโ ต, ตแล้วเมื่อภาค พ, พื้นอันเขาก็ทำชำระอยู่เพื่อต้องการจะปรกเรือนพบของเท้าสกกะแสดงการรอนแล้วหรือสองนาทีว่าไปท้าโกสีสกเทวราชใครคนดูว่านี่มันเหตุอะไรหนอ ก็ทรงทราบว่าชนทั้งหลายกําลังจับจองที่แปลงเรือนของโชติกะทรงเริ่รีว่าโชติกะนี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ชนทั้งหลายเหล่านั้นทําได้แล้วการที่เราไปในที่นั้นจริงเป็นการสมควรแล้วก็เสนจบประที่นั้นด้วยเพื่อย่างนายช่างไม้ทินต์ตัดว่าพูกท่านทําอะไรกัน ต้นหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าพวกฉันจับจองที่เยปปูกเรือนสำหรับโชติกาถ้าโกศี ส, สกเทวราชคือประเดนตตดว่าพวกท่านโยนหลุกไปโชติกะนี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ท่านนั้นหลายปลกูกแล้วก็ทอดประเนสเลยแ ล, แลดูภาาพื้นมีปริ ม, มาณสิบหกการี และดูลภพูไม่ประเทศนั้นก็เป็นที่สม่ำเส ม, มอทันใดนั่นเองคือปรับพื้นเอาในตาเป็นเทเต์วพะดุจเยวงใส่ศิลแล้วเท้าเทก็ทรงดำริว่าขอประสาทเจ็ด ช, ชั้นที่สาเร็จุระนิแกวเจ็ดรายการจนจำแรกแทบเป็นดินผลธรร ม, มา น, านัที่นีแล้วก็ทอดประเนตดดูปราสาทเห็นป่านนั้นขุดขึ้นมาแล้วในขณะนั้นเอง เท้าเสกะสดมดิวกว่าขอกำแพงเจ็ดชั้นเป็นที่สําเร็จแล้วได้แก้วเจ็ดราการจงปรากฏขึ้นแบทร้อมประสาทนี้เมื่อทอดพระเนตรดูกำแพงก็ปรากฏผุดขึ้นครั้งนั้นเท้าเธอดําริวกว่าขอต้นกลัลยาประพฤกต์ทั้งหลายจงผุดขึ้นในที่สุดรอบกำแพงนั้นต้นกลัลยาประพฤกต์นี้ใครปรารถนาอะไรก็ได้ แล้วก็ทอดพระเนตรดูต้นการรับพระพุทธก็เกิดขึ้นที่นั้นเท้าเธอจึงทรงดำหนีว่าขอขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมจงผุดขึ้นที่สี่มุมแห่งปราสาทเมื่อทอดพระเนตรดูแล้วก็ปรากฏว่าทรัพย์สีส่ขุมเกิดขึ้นมาแล้วเอาละท่านทั้งหลายอธิบายอะไรไม่ได้เวลาเลยไปเสแล้ว สำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านนั้นหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี